อยายยะโจมตับริษัทรับฟังคำแนะนำในการจเจริญพรนกรรมฐานวันนี้ถูกผียกปากปากเสือผีลมอาจะพูดไม่ค่อยชัด <c oughs> การจเจริญพันธกรรมฐานในตอนต้นขอพูดตอนต้นทุกครั้งไปนะเพราะว่าดีม่คนลืมหรือตอนต้นจริงๆให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าการจเจริญพรนกรรมฐานนี่ระหวังความสุข ความสุขจริงๆนี่มีสามขั้นขั้นหนึ่งความสุขจากความเป็เทวดาในสวรรค์เชิกามาวิญจรเทวดาและนางฟ้าก็มีความสุขจริงขั้นสูงขึ้นไปหน่อยก็ความสุขของลมสูขสุดจริงๆ ส, ส, ส, สุขแน่แ น, นอนไม่ท้อถอยไม่ถอยหลังก็ได้แต่นิพพานการอยูนกรรมฐานของบรรดาถ่านพุทธบริษัทก็ถือว่าเป็นภาวนาใหม่ บุญทั้หลาการเจริญภาวนากะบุญที่จะเกิดขึ้นในเขตพุทธศาสนาเนี่ยมีสามอย่างที่หนึ่งทานนิมัยบุญทั้งในการบริจาคทานสองสินนมัยบุญทั้งหลายในการรักษาสินสามภาวนาไม้บุญทั้งในการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาถือ ว, ว่าเป็นบุญสูงสุดไอ้คนที่ จะทําบุญให้เกิดสูงสุดได้ต้องมีกำลังใจเข้มแข็งพอสมควรที่กล่าวว่าพอสมควรเพราะว่าตัวแรกต่บารมีถ้าบารมีเป็นบารมีต้นกำลังใจก็อ่อนไปหน่อยแต่ก็จะสามารถส่งความดีได้ถ้าบารมีเป็นอุปบารมีบา ร, ม, บารมีกลางกานจิตก็มีความเข้มแข็งมากแต่ปัญญาจะไม่แก่กล้าพอ ถ้ามีบารมีเป็นปารวัตบารมีก็มีความเข้มแข็งทุกอย่างทั้งศีลทั้สมาธิทั้งปัญญารวมความว่าคําว่าบารมีก็แปลว่าเต็มแต่พระพุทธเจ้าทรงแปลว่ากําลังใจเต็มหมายถึงว่ากําลังใจเราเต็มในการสั่งสมความดีในด้านบารมีนั้นๆบารมีต้นทันติวทานบารมีบารมีที่สองทันติวัชินาบารมี น้าบารมีสำคัญก็คือปัญญาบารมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทุกคนมีปัญญาบารมีครบถ้วนอีกเก้าอย่างก็ครบถ้วนเหมือนกันวันนี้ก็จะไม่พูดทั้งเก้าอย่างถ้าพูดทั้งเก้าอย่างคืนนี้ก็ไม่จบแต่คนฝ่ายพูดที่จบก็คือคนฟังกับคนพูดใช่ไหมคนฟังอาจจะหลับจบคนพูดก็เลยขาดใจจบถูกไหม ก็เลยไม่เอากันนะโยวงว่อวันนี้ขอย้ำเรื่องปัญญาบารมีก็ว่าคำว่าปัญญาเนี่ยเป็นการรู้สร้างความรู้เข้ามาเต็มกำลังใจบุ่งหมายได้ความรู้จริงๆ <c oughs> ความรู้ในขั้นต้นในการเจริญนพระรรมฐานเราต้องเป็นคนมีศีลถ้าศีลไม่ครบถ้วนสมาธิจะไม่เกิด ก็ต้องรู้ต่อไปว่าศีลจะมีได้เพราะอะไรศีลจะมีได้จริงๆก็าคุณธรรมสองอย่างคือหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารถ้าเมตตาความรักมีกรุณาความสงสารมีเราก็เป็นคนมีศีลถ้าทำสมริกานี้ทรงใจศีลทั้งหมดจะไม่ขาดจะไม่บกพร่อง จะรักการในบรรดาญาโยงคุบริษัทจะทรงศีลให้ครบถ้วนบริสุทธิ์ก็ต้องมีเมตตาความรักกลนาความสงสารตอนเช้าตื่นขึ้นมาจะิแล้วมืลืมตาขึ้นมาวันใดก็คิดว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครจะเป็นมิตรที่ดีสำหรับคนทุกคนและสัตว์ทุกตนในโลกจะไม่ก่อเวรก่อกรรมกับเขาจะรัการในสองกลา ถ้าไม่เกิยมีสัยเราจะสรงคะคนสั์ทั้งโลกให้มีความถูกต่างกำลังถ้าจิตคิดอย่างนี้ไว้ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นและเวลาจะหลับก็คิดว่าเราจะทรงเมตตาคนเราท้องสำนึกการใน้ทุกข์นตลอดไปเรี่องนี้ในตอนต้นๆขั้งแรกมันจะลืมบ้างหรือบ้าไปขอธรรมดาถ้าทำคิดอย่างนี้ตื่นใหม่ๆก็คิด ตั้งใจ ว, วันนี้จะไม่พลาดเมตตากรุณาทั้งสองรายการเวลาก่อนจะหลับก็คิดว่าวันรุ่งขึ้นเราจะไม่ยอมพลาดเมตตากรุณาทั้งสองรายการความรักและความสงสารถ้าคิดอย่างนี้จริงๆเพงแค่สามเดือนเป็นอย่างชาริงกขบันดาญาโยมวัถบริษัทธ์จะไม่บกครองใช่ไหมจะทําได้ไหมคิดได้ไหมคิดแป๊บลืมเลยไง ถ้าใหม่ๆต้องลืมต้องเผลอเพลินธรร ม, ามาดา น, นะถ้าคิดอย่างนี้จริ ง, รงๆผไม่ต้องใช้เวลามากถ้าเวลาแค่สองสามนาทีก็พอว่าเมตตาคือความรักคนในโลกทั้งหมดสัตว์ในโลกทั้งหมดเราจะทำตนเป็นที่รักสาหรับเขาจะไม่ก่อเวรไม่ก่อกรรมกับเขาสูนายความสงสาร คนและสัตว์ในโลกทั้งหมดถ้าไม่เกินวิสยัยแท้ บ, บคุคคลผู้ใดหรือสัตว์ตนใดมีความทุกข์เราจะช่วยมีความสุขบางทีเราทําไม่ได้แต่กําลังใจ ย, ยังมีแคนี้ถือว่าเมตตารค น, นามีในใจถ้ารลงสมจิตอย่างนี้ได้การมีเวรมีภยัยเะเลาะบอกแวงขัดคอกันมันก็ไม่มีหาทางหลีอเรี่ยงอื่นแต่ใหม่ๆมันยังไม่จินก็อาจจะลืมต่อไปไม่ช้าในเมื่ออารมณ์กินมันก็ระงับได้ ให้ถามว่ามีเมตตากรุณาดังสองรายการยังมีโทสะไหมก็ต้องตอบว่าถ้ายังไม่ถึงอนาคามีเพียงใดโทสะต้องมีแต่ว่ามีกําลังไม่แรงมีเบาๆแล้วก็สลายตัวเร็วอย่างนี้เป็นวิธีคุมศินให้ทรงตัวต่อมาถ้าสินทรงตัว ส, ส้นสินทรงตัวได้เพราเมตตาความรักกรุณาความสงสาร ในช่วงนั้นอารมณ์จิตเขาเยือกเย็นถ้าอารมณ์จิตเยือกเย็นอารมณ์ก็เป็นสุขถ้าอารมณ์พระอารมณ์เป็นสุขก็มาสมาธิก็เกิดสมาธิน่ยเกิดจากสินถ้าสินไม่สมบูรณ์แบบสมาธิเกิดไม่ได้ถ้าสินสมบูรณ์แบบสมาธิเกิดเองสมาธิแปลว่าการตั้งใจนี่ในช่วงที่สมาธิเกิดน่าจะเกิดได้ไม่นานตัวตัวไม่นานทั้งนี้เพราะว่านี่วอนยังโคนใจ ทำว่านิวนรนแปลว่าคุณชาติคุณกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังนิวรนนี่เราชนะไม่ได้้าไมถึงอนาคามีอ น, นาคามีก็ชนะได้สองข้อเอาเลแล้วอนาคามีก็ชนะได้เพียงสองข้อแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เกิดขึ้นก็ไม่รุนแรง เวลาที่เราต้องการจิตทรงตัวไม่ความจะภาวนาอย่างไงก็าตามจะพิจารณาก็าตามเวลานั้นคิดว่าเราจะไม่ยอมเป็นท่ายของนิวรณ์คือนินวรณ์มีห้าไม่ต้วัไนึกถึงมันเลยต้องการอย่างเดียวคือภาวนาก็ะลมหายใจเข้าออกจะพิจารณาขณนะใดที่จิตรู้ลมหายใจเข้า ใ, ใจออกโือรู้คำภาวนาอยู่ขนาดนั้นเท่าจิตไม่เป็นท่ายของนิวรณ์เราจะชนะนิวรณ์ อันนี้เนะสมาธิก็มีเป็นยังหวะมันจะเป็นตลอดกาลไม่ได้มก็มีการฝึกแต่ว่าอาศัยที่มีเมตตาความรักต้นนายความสงสารอารมณ์ก็เยอะจริต่อไปก็ใช้ปัญญาถ้าถึงตัวปัญญาตัวจริงนะย่าปัญญาเขามารับรู้ว่าศีลจะทรงได้เพราะอะไรสมาธิจะทรงได้เพราะอะไรสมาธิจะทรงได้เพราะระ ง, งับมีวรถ้ามีวรเกิดขึ้นอะไรสมาธิจะสลายตัววันนั้น ถ้าความรักความสงสารไม่มีเมื่อไหรเวลานั้นสินก็สลายตัวเหมือนกันถ้าสินสลายตัวเราก็มีหวังลงอบายภูมิถ้านิวรันเกิดขึ้นสมาธิสลายตัวเราก็ไม่มีจิตไปสุมสมจะสามารถเข้าไปสวรรค์ได้ที่ต่อมาก็มาใช้ปัญญาปัญญาที่จะใช้จริงๆในการเจริญวรรมฐานในการทรงชีวิตอยู่ เขาก็ใช้ในวงแคบความจริงไม่ใช่วงกว้างแต่เราอ่านหนังสือมันกว้างไปนะไม่รู้ถ้าใช้ปัญญาตามหนังสือเหน่อยตายในนึกมันเขาว่ายัางไงเมื่อวาแต่ความจริงคนเขียนหนังสือนั้นเขาไม่มีความจําเป็นต้องเขียนวงกว้างก็เกรงว่าเราจะไม่เข้าใจปัญญาที่จะใช้จริงๆก็ต้องดูขอบเขตในตอนต้นเรายังไม่เป็นปะโสดาบัน ด้วยสกิธาคามีแล้วก็ใช้ปัญญาแค่ขอบเขตว่าโสดาบัญญัติสกิทาคารมีให้ส่งตัวถ้านี้ส่งตัวแล้วจะพร่อมพร่องวันนั้นก็ใช้อารมณ์ผันหัแก้มเข้าไปด้วยโสดาบัญก็มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้ต้องตายนี่ของธรรมดาไปพูดทุกเี่ยวแหละไอ้ที่พูดทุกครั้งก็อะไรไหมก็ต้องการทุกคนไม่ลงอบยัยภูมิ อ้าจะลงให้ตึกมาลงคนเดียวเอ้าไม่ใช่มาจากขอโทษเขาด้วยน่มันยเมรินกาแนละ้วจับไม่ได้คนระับก็ไว้ใบตองการทุกคนลงวใบายาภูมิอันดับแรกปัญญาก็คิดเบาๆว่าชีวิตนี้ต้องตายุกคนที่เราต้องการไปดีพึ่งคือต้นปู่ธรรมชัยพึ่งไปพึ่งมาพึ่งมากไปท่านพรม ไ, มไวท์ทะเลตายไปเลย <c oughs> ใช่ไหมมึงก็พึ่งกูก็พึ่งกอก็ไปกอกมาไ้คนตักกอก็ลุกไม่สิ้น ไม่ว่าใครทั้งหมดเราหวังไม่ีดพึงอ่ะจำว่าให้จําว่าคนที่เราต้องการเป็นที่พึงท่านเคยเจ็บเจ็บตายเหมือนกันใช่มลุงปู่ธรรมชัยถ้าเป็นหมอรักษาโรคช่วยคนมามากให้คนพ้นจากความตายมาเยอะแต่ว่าการว่าพ้นจากความตายในหมาที่เขาไม่ถึงอายุไขถ้าถึงอายุไขเมื่ อ, อไรวาระเข้ามาถึงมักันมันกันกันไม่ได้ ไม้แต่หมอเองก็ย่างตายอันนี้ก็ต้องคิดว่าท่านทรงความดีขนาดนั้นหลวงปู่ธรรมชัยนะ่ะทรงความดีพิเศษหลายอย่างนอกจากความเป็นหมอของท่านก็ต้องดูว่าเหตุที่เป็นหมอเป็นได้อย่างไงอันดับแรกหนึ่งสมาธิทรงตัวดีมากเรื่องฌานได้ดีมากเรืการในสองทิพกุญญานในแจ่มใสมากใช่ไหม ในการอิสานกําลังของจิตมีความเข้มแข็งเหลือเกินและเห็นว่าพอคนไข้กับไว้ท่านเคยนั่งอยู่ ใ, ใกล้ท่านให้จับปลายไม้ปั๊บท่านบอกเลยคนนี้เป็นโรคอะไรบ้างโรคประเภทไหนเกิดตั้งแต่มอะไรถ้ารักษาถูกต้องกี่วันจะหายระยะต้นคนยังน้อยๆอยู่นั้นล้วก็เคยสัมผัสนะตอนท่านหายตรงตามนั้นจริงๆแม่จะโรคอะไร แา่ที่เปรักษาตายเพราะอะไรวะคนท่านจะหมดอายุต่องตายก็ในที่สุดหม อ, อยังตายเนี่ยใช่ไหมความจริงหมอไม่ได้ตายผู้ทรามชายตายความเป็นหมอไม่ตายนะตอนนี้ไปใครเป็นโรคอะไรก็บนผู้ธรรมชัยที่บ้าย้ปบ่นแล้วก็ไปแก้บ่นที่วัดท่าจูงไอ้ไคนรับแทนไม่มีไม่มีผล น, นะ คนรับแทนแทนต้องรู้จักกันทำพวกเดียวกันใช่ไพวกเดียวกันออไปไงเขารู้อยู่ที่ไหนส่งไปไม่ได้แต่ฉันต้องส่งไปเออไปไปมาหากินมีความโลภแต่ละออการใช้ปัญญาในด้านประสดาบบันก็ข้อหนึ่งว่าชีวิตนี้ต้องตายสองก็รู้ตัวก็รู้ตามความเป็นจริงว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีช่วยมีความสุขได้ เป็นที่พึ่งได้จริงเรืการในสามศีลมีความเป็นที่พึ่งได้ดีมากที่เรีนกล่าวว่าสีเลนสุปฏิยันติบุคคลใดมีสินบุคคลนั้นชาตินี้มีความสุขตายไปแล้วไปเกิดใหม่ก็มีความสุขสีเลนโภก็สมาธาคนใดที่มีสินครบถ้วนชาตินี้ก็มีมความสบายใจสบายใจจนทรัพย์สินเจ้าทรัพย์สินมันไม่เ ป, เปลืองคนที่มีสินนะ ตายไปเกิดชาติหน้าก็เป็นคนร่ำโรยในทรัพย์สินยี่งเลยอันนี้ผูะริงยันติสินเป็นเหตุให้เขา้าถึง น, นิพพานได้โดยง่ายก็แปลงง่ายๆนะเรื่องความว่าถ้าเราเป็นคนมีศินก็หนึ่งมีสุคติมีความสุขในชาตินี้ชาติหน้าก็มีความสุขชาตินี้เราไม่เดือดร้อนในทรัพย์สิสนเพราะสินชาติหน้าแล้วก็ร่ำโรยไม่เดือดร้อนเหมือนกัน แลถ้าต่อไปถ้าเราต้องการนิพพานสินี่้เป็นบันไดพาดถึงนิพพานได้ดึง่ายใช่ไหม mm hmm. ก็ความว่าการมีสินมาดีอย่างนี้แล้วก็สินถ้าเราทรงตัวได้เฉพาะสินห้าเนี่ยเอาแค่สินหา้าคนลกัน mm hmm. คนที่สามารถทรงสินห้าได้เนี่ยลงอบายภูไม่ได้จะเป็นสันนรกฐาก็ดีเป็นเปรตตัว เ, เดียวสุรกายก็ดีสันชัยก็ ด, กกดีไม่ได้ลงไม่ได้ก็ห้ามลงข้อไหนไหม ลงไปแล้วไม่มีขุมจะอยู่ไม่มีเขาไม่จจดได้จัดสรรไว้ที่จะดสรรไม่มีใช่ไหมจะลงความว่าคนที่มีศีลตัดอบขุมเลยเลยที่ใช้บัญญาเข้ากล่าวนะต่อไปก็ใช้บรรัญญาต่อไปให้สูงกว่านั้นนิดหนึ่งให้ใช้อารมณ์พระอรหันต์เข้ามาแกมอารมณ์อรหันต์นี่ต้องแกมไว้เสมอาอารหันต์มีความรู้สึกยังไงส่วนหนึ่งเห็นว่ามนุษยโลกเป็นทุกข์ไม่ดีไม่อยากอยู่ แต่การในสองเห็นว่าเทวโลกก็ดีสมโลกก็ดีไม่อยากโ่โลกทั้งสองโลกมีความสุขจริงและสุขไม่นานไม่ต้องการจิตใจท่านรักจุดเดียวคสิริพานอันนี้คืออารมณ์พระลานอารมณ์พระลานนี้ต้องแกมไวตอนนี้เมื่อแกมอารมณ์พระลานเข้าแล้วสามารถทรงอารมณ์โสดาบันได้บ้างไม่ได้บ้างคําว่าได้บ้างไม่ได้บ้าง ห, หมายคามถ้าวันใด เราไม่ประมาทชีวิตคิดว่าอาจจะต้องตายภายในวันนี้แล้วก็วันนั้นก็มีจิตใจยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วก็วันนั้นสามารถทรงสึงบริสุทธิ์หรือว่าวันนั้นเรามีอรมณ์ะอโสดาบันประจําใจที่คุณธรรมของโสดาบันประจําใจแล้วก็ทําได้ด้วยให้้ดูยังไงว่าจ่อสร้างง่ายเยอะเยอะจุดชึ้งให้ไมโครโฟนเนี่ยหน้าควเป็นเครื่องจะไม่ใช่ไมโครโฟนนะ ตอนนี้แต่เม e <AM> well, <activities> ื่อเราท่านอะไรวะไอ้ไมโครโฟนมันจะเอาตังเนี่ยมันบอกว่าค่าไม้กวาดยังไม่ได้เออเอาเนี่ยไเป็มาแค่เวลาปอนเดี๋ยวเดี๋ยวก็จบก็เรองความว่าอันดับแรกถ้าวันใดเราทรงอารมณ์ของพรโสดาบันได้ถือวันนั้นจะมีคุณธรรมของโสดาบันแต่ที้บางวันมันไม่ได้ ทางพาตอาจจะมีมันได้บ้างไม่ได้บ้างสหรับกันอย่างนี้แต่อาศัยกำลังใจกำลังใจนี่มีความสงคัญการเจริญกรรมฐานอย่าให้กำลังใจเป็นสุขหรือว่ากำลังใจเป็นผลเฉพาะเวลาเจริญกรรมฐานที่เรานั่งสมาธิจะเป็นการฝึกตัวเองเท่านั้นนะอารมณ์จริงๆเขต้องการให้ทรงอารมณ์อยู่ตลอดวัน อารมณ์ดีทรงตลอดวันไว้ใช่นั่งสมาธิจะทํางานอยู่ก็าตามและทําอะไรก็าตามให้จิตมันตรงตัวจิตมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายเห็นคนเห็นสัตว์ที่ไหนก็มาก็าตามันก็จะมีกําลังร่างกายกํายําร่างสันยแรงมากไงก็าตามก็ต้องถือว่าคนอย่างนี้ก็ตายไปวยกันทุกคนมันคิดได้บังไม่ได้บังของธรรมดา ให้บริการหนึ่งพยายามนับถือยอมรับนับถือพระเจ้าด้วยความจริงใจตั้งเวลาไว้ให้ตรงตัวการตั้งเวลาทรงตัวคือหนึ่งตื่นเช้าบูชาพระบูชาพระตอนเช้าอย่าให้นานนะเขาจะหาที่เกียรติทำงาน <c oughs> ใช่ไหมละ่ะคําว่าบูชาเนี่ยเรายอมรับนับถือถ้ากราบกบราบก็ดีหมอนสามครั้งครั้งแรกคือว่าเวลานี้เรากราบพระพุทธเจ้า อาเรียสองคิดว่าเวลานี้เรากราบพระธรรมอาเรียสามคิดว่าเวลานี้เรากราบพระอริยสงฆ์จิตใจยอมรับนับถือด้วยความไั่คงเท่านี้ก็พอคําว่าบูชาไปยอมรับนับถือตอนนี้ก่อนจะหลับก่อนจะหลับก็กราบแบบนั้นเองแหละไม่ต้องใช้เวลามากก็ได้ให้จิตไม่นคงยจเิียเร า, า, ค, าคิดว่าเระยอมรับเหนือนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์นี่ความจริงใจ เมื่อตื่นใหมใหม่ก็ตั้งใจว่าวันนี้เราจะรักษาสิ่ง่ายครบถ้วนมาอาจจะเผลอบ้างเป็นองธรรมดาไม่ใหม่แต่เราทําอย่างนี้เป็นเครื่องหมาจําใจที่ว่าเช้าจะต้องบทนึกถึงบูชาพระคือนึกถึงพระก่อนหลับเรานึกถึงพระถ้าจิตมันทรงตัวอย่างนี้เนะที่ว่าก่อนจะหลับที่เราต้องกราบพระเสียก่อนไม่ตัวตีก็ต้องตรวจหมดนะ ถ้าตื่นใหม่ๆก่อนทำอะไรทั้งหมดเราต้องกราบพระสก่อนกราบที่ไหนไม่ได้เรารอที่หมอนนี่แหละด้วยความจริงใจแบบนี้ก็ถือว่าทุกคนมีชานในอนุสติสามในกาคือพุทธานุสติสัมมานุสติสังขารุสติอันนี้ไม่ใช่ของยากไม่ใช่ของง่ายนะคือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของเบาของหนักมากไอ้รำเตาจรทำเพิ่มไปจากนั้นก็แถมอีกอย่างคือว่า เราจะเป็นเวลาไหนก็ตามแล้วเวลาเช้าก็ดีถวายข้าวพระพุทธรูปการถวายข้าวอาหารพระพุทธรูปจะเป็นข้าวก็ไดก็จะเป็นขนมก็ได้จะเป็นผลไมกก้กระไดนิดนิหน่อยหน่อยก็ได้ไม่ต้องมากตั้งใจว่าเวลานี้เราจะถวายข้าวพระพุทธรูปและอหารพุทธรูปถ้าจิตมันตรงตัวแบบนี้ถึงเวลาจะต้องทําก่อนถึงเวลาไปคิดว่าเวลานั้นเราจะต้องถวายข้าวพระพุทธรูป ถ้าถึงเวลาที่เราจะนอนเราจะกราบพระตื่นใหม่เรจะกราบพระถ้าจิตตรงตัวแบบนี้ราไม่คว้นเสมอทั้งวันเพราะว่าทั้งวันไม่ไไหมายความไม่ใกอะไรเลยนะถ้าจิตว่างขึ้นมาก็นึกถึงพระพุทธรูปและพระพุทธเจ้าก็ตามนึกถึงว่าธรรมน น, นึกถึงว่าสององค์ใดองค์หนึ่งก็าตามมันใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้ได้ถ้าจิตตรงตัวอย่างนี้ถึงแม้ว่าศีลห้าจะบกพร่องเวลาจะตายจริงๆบรรดาญาโยม บุญทั้งหมดที่ทำไปแล้วจะเข้ารวมตัวกันตัวการนึกถึงพระและนึกถึงผลทางการที่เราทําจิตเป็นกุศลบาปเข้าแทรกจิตไม่ได้เลยเวลาจะตายจะมีความสำคัญมากถ้าก่อนจะตายถ้ามีอารมณ์เป็อกุศลเวลานั้นแบบบาบจะเข้าเซมัตราไปใบจะผุนแน่ถ้าก่อนจะตายที่อารมณ์เป็นกุศลอยู่ก่อน บาปจะเข้าแทร ก, กุูสนั้นได้กูสนทั้งหมดที่ทําไว้แล้วทั้งหมดจะเข้ารวมตัวกันกําลังบุญมีมากเทไรก็พาไปที่นั้นรูป ค, ความว่าการจะเป็นกรรมฐานธรรมดาเต็มพุทธบริษัทจงอย่าคิดเอาแต่เพียงว่าถึงเวลาเราจะนั่งสมาธิถ้าคิดเอาแต่เวลาข้างนั่งสมาธิโดยเฉพาะเวลาอื่นปล่อยใจกระเถิดกระเทิงไปอย่างนี้เราเสียท่าไวายภูมิ ในยามปกติมันก็นึกได้บ้างใ ไ, ได้บ้างของธรรมดาบางทีทํางานอยู่ก็นั่งคิดในใจว่าอ า, ารมณ์อารมณ์จังแ จ, มแจม่มใสไม่สบายใจคือคิดว่าคนที่ทํางานอย่างเราอย่างนี้เขาตายมาแล้วนับไม่ถ้วนเราเองก็ต้องตายเหมือนกันให้ก่อนที่เราจะตายเราจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้เป็นที่พึง่งถ้ามีสิห้าได้โดยตรงถ้ากําลังใจยามว่างน้อมจะบทผลอย่างนี้ ทุกคนก็ไม่พ้นจากตะวันสมาโลกตอนิี้ผ่านเพราะว่าสามขั้นก่อนนะตอนนี้เราจะไปไหนถ้าสงฆ์ท่าคิดว่าเราจะไปนิพพานจริงๆมันก็ไม่ยากถ้าเราไปได้อยากไหมไม่ยากถ้าเราไปได้ถ้าไปไม่ได้ก็ยากฉันไม่ได้ขัดคอใคร น, นะเยเออฟังให้ดีดิฟังอย่าหลับสิ การจะไปนิพพานจริงๆก็มีคนหลายคนเคยถามว่านิพพานเป็นของยากถ้ามีความดีไม่พอปรารถนานิพพานจะมีผลหรือก็เขาถามอาจามาตรงไปทานแต่ขอแนะนำบรรดาญาติโยมไว้ว่าเว่าเป็นความดีเราจะเต็มหรือไม่เต็มก็ช่างมันเราตั้งใจไว้เพ vale> ื่อนิพพานก่อน เรคิดว่าการตายชาตินี้ก็ขอตายเป็นชาติสุดท้ายขึ้นที่ว่าการเกิดเพื่อตายจะไม่มีสําหรับเราอีกถ้าจิตมันทรงตัวอย่างนี้นะคําว่าทรงตัวไม่ใช่หมายถึงทั้งวันเวลาว่างจากงานอารมณ์เป็นสุขหายเหนื่อยจิตมันคิดมาว่าขออยู่ชาตินี้เป็นชาติเดียวเป็นชาติสุดท้ายต่อบบาลมันจะไม่เกิดมาเพื่อตายอีกถารมณ์ม่ชีวิ ทำมัานลายเข้ารงมันจริงคำว่าจริงในตอนนี้ไม่ต้องเป็นชายก็ได้ให้มีลงคิดไว้มันอาจจะไม่ทุกวันก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เวลาที่ร่างกายเริ่มไม่ดีปั๊บก็เสียอิ่มมันอาจจะตายก็ได้นะใช่ไหมถ้าตายจริงๆขอตายชาตินี้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายไม่ตายต่อไปอีกถ้าลงคิดอย่างนี้จริงๆแสดงว่าจิตจะวางร่างกายไปแล้วถ้าจิตวางร่างกายไปแล้วนี่พยาไมล์เคยเดือดร้อนใช่ไหม เป็นตัโคดิกาเชิยคอพยาบาลเดือดร้อนที่ประโกฎิการคิดว่าร่างกายนี้เป็นพิษเป็นภัยเป็นสัตรงมันถ้าเรามีชีวิตอยู่มันก็ ม, ม, มีความสุขมีแต่การป่วยไข้ไม่สบายถ้าเรามีแรงอะไรจะไ ม, ม่โกนช่วยคอให้ร่างกายมันตายพอท่านโคดิกาคิดเป็นเท่านี้พยาบาลเดือดร้อนแล้วองค์นี้เป็นปนิัญหานแน่ คือว่าคนที่จะไปนิพพานได้คือคนที่ไม่สนใจในร่างกายตันเองอคำว่าไม่สนใจนั้ไม่ใฉยไม้ความไม่กินข้าวไม่กินยานะคือไม่ห่วงอีกละถ้าชาตินี้มันตายก็ตายไปชาติหน้าไม่มีแสดงไม่ห่วงร่างกายแล้วก็ยามานันเดือดร้อยก็จึงแปลงตัวเป็นชายหนุ่มผิวเหลืองมาฟ้าพุทธเจา้ามาบอกพุกทธเจ้าว่าเทวสัมมณโคดมเวลานี้ลูกชายของท่านจะช่วยขอตาย ถ้าถ้าลูกชายท่านเชื่อขอตายจิตอาจจะไปะบายภูมิก็ได้พุทธเจ้าทรงทราบพุทธเจ้าก็เฉยถ้าพูดเพียงข้าในสอนท่านก็บอกว่าปาบิมะดูก่อนมานผู้มีบาปคนิกาลูกชายของเราคนมีสายต้องเทอชะแล้วขณะที่พยามานมาฟ้าฟ้องมาพุทธเจ้านั่นแหละท่านเป็นคนิกาเช่วยขอพอดีดีไหมในรูปแบบนั้นก็ได้พุทธิชัยง่า เพราะว่าจิตที่ท่านไม่พอใจในร่างกายเมื่อร่างกายเป็ปนศัตรูมันป่วยตลอเวลาท่านก็ไปนิพพานทันทีถ้าพอจะตายหรือก่อนหน้าจะตายจิตที่ว่าร่างกายไม่ดีเตี่เว็นอารอรหันต์ถ้วตายในช่วงที่จิตไม่พอใจร่างกายเนี่ไปนิพพานทันทีทุกคนจำไว้ไดีนะเมืการคิดว่าเราจะต้องตายวันนี้อยู่นเน้่ยเป็นอารมรหันต์ท่านเนี่ยถ้าจะตายจริงๆบนจะดรวงโตก็สามารถจะนิพพานได้ ก็เกิดเป็นะว่าหลังจากนั้นพระเจ้า ก, ก็พาพระมาที่เนือนโคฎิกพาพระก็ถามพระเจ้าว่าท่านโคดิกะไปไหนพระเจ้าบอกเปน็นผพานแล้วพระยามาราธิราชก็ไม่เชื่อพอระเจ้าเหาะไปในพื้นต่างในเมฆไนหมองสวรรค์นในผมทั้งหมดก็ไปพบพระโคดิกะกลับมาถามใหม่ท่านบอกว่าโคดิกาผมดีใจของเธอปปินผ่านไปแล้วใช่ไหมเมื่การคิดถึงว่าร่างกายไม่ดี เราจะเกิดมาเพื่อป่วยเกิดมาเพื่อตายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายต่อไปเบื้องหน้าคิดว่าเกิดมาเพื่อตายอย่างนี้ไม่มีสําตลอดไปคิดไว้ทักวันละครั้งสองครั้งในก่อนหลับหรือตื่นใหม่ๆก็ได้ถ้าจิตมันเป็นประจําถ้าเริ่มป่วยเมื่อไร่แล้วก็กินยาจิตยาตามหมอกขาว่ารักษาไม่เการระงับเวตนาใต่คิดว่าถ้ามันตายเมื่อไหรเราขอตายชาติสุดท้าย เพียงแค่นี้ธรรมดาญาติโยมตะโกนนี่เขาไปเยอะแล้วนะไปกันเยอะแล้วนะในตอนที่ฉนป่วยหนักวันสองสามเดือนที่แล้วมาป่วยหนักมากมันอยู่สองสามวันปวยหนักนี่คนเขาสังเกตไม่ได้นะแขกไปก็รับแขกธรรมดาแขกธรรมดาและแขกพิจธรรไดาก็ไม่รับแต่แขกไปผ้าโป๊โปก็ต้องดูตัวก่อนใครขึ้นมาเอากระตังค์นี่ไม่รับถ้าให้สตางค์รับนะย ก็ <laughs> ม, มีแขกคนแก ม, มาก็ให้ประธังเรารับแต่แขกเอาประธังขึ้นไปเป็นมอสดูได้ไหมครับอ่ามันป่วยสามวันเครียดในช่วงระหว่างตีทุ่มถึงห้าทุมอาการมันเครียดหนักใครก็รู้ไม่ได้ก็เลยคิดตัดสินใจที่ว่าไอ้ร่างกายจะยำแบบเนี้ให้มันมีเป็นขั้นสุดท้ายก็แล้วกันความจริงมันคิดมานานแล้วนะไอ้ร่างกายได้ไม่เคยโหมมันมาก แต่ถ้าไม่ยังไม่ตายก็ต้องกินยาถ้าไม่กินยามันก็ลุกไม่ขึ้นใช่ไหมต้องรักษาโรคตอนนี้ไม่คิดตามนั่นแล้วก็จิตก็เป็นสุขพอจิตเป็นสุขก็ น, นึกว่าเออการไม่สนใจกับร่างกายกันห้าในอรมดีอย่างนี้นะว่าถ้าเราไม่สนใจกับอันท่าเนี่ยจิตมันสบายมากแต่ตอนไม่สนใจจริงเขาเรียกว่าสังขารเป็นขา ย, ยาน ให้มันได้สักหน่อยหนึ่งก่อนตายเอานี้ก่อนวันหนึ่งขอสักสองนาทีได้ไหมก่อนหลับวันก่อนหลับเอาสักสองนาทีคิอว่าร่างกายอย่างนี้มันไม่มีอะไรดีเลยมันหิวทุกวันมันแก่ทุกวันก็มีการป่วยไข้ไม่สบายมีแต่ความทุกข์ในที่สุดเราก็ตายคิดว่าร่างกายเร็วๆอย่างนี้ขอมีชาตินี้เป็นชาตสุดท้าย ถ้ามันจะพังอะไรเขาไม่พังไปแล้วไม่ขออยู่เขาปฏิพันธ์อย่างเดียวคิตอย่างนี้สักวันลนะสองนาทีก็พอคนหลับถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าอาการป่วยเกิดขึ้นมามนอะไรจิตมันจะรวมตัวทันทีจิตจะไม่มีการการะสับกระส่ายจะไม่กลุ่มอารมณ์กลุ้มจะไม่มีจะถือว่าเป็นของธรรมดาได้จิต ก, ก็คิดว่าร่างกายจะพังก็เถิ่นพังพังอะไรจะปฏิพันเมื่อนั้นเพียงแค่นี้จบปฏิพันธะ์แล้ว วันนี้ก็ขอย้อนไปนิดหนึ่งญาติโยมเพื่อจะมาใหม่ในการเรียกรรมฐานตอนต้นในญาติโยมนะถ้ากําลังใจของท่านยังไม่ยังคิดว่าจะปฏิภานยังไม่ได้อันดับแรกวันนี้อันดับแรกขอเริ่มปฏิบัติให้กําหนดรู้ลมให้ใจเขาออกให้ใจเข้านึกตามว่าพุทธใจออกนึกตามว่าโถ mm hmm. แต่ว่าถ้าญาติโยมคนใดปฏิบัติจากที่อื่นมาแล้วเคยปฏิบัติขบวนนามาว่ายังไง ให้ใช้ภาวนาเดิมอยากจะเปลี่ยนไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแต่ว่าท่านไม่เคยภาวนาคำว่าพทุทโธแต่เคยใช้ธรรมนายนอย่างอื่นคล่องจงใช้อย่างนั้นอย่าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนวิกายขึ้นต้นใหม่แต่ ว, ว่าก่อนนิพบรรดาญาจงพุทธบริษัทยาเริ่มจะเริ่มภาวนาให้ตัดสินใจเห็นอริยสัจซะก่อนให้เห็นและฟังยากตามภาษานังสือให้เข้าใจอริยสัจซะก่อนดีกว่าการว่าเข้าใจอริยสัจคือว่า อดีตศาสตร์ข้อต้นพระเจ้าบอกว่าทุกให้เห็นทุกข์ตั้งแต่งเกิดว่าการทรงชีวิตโยนนี่มันมีแต่ความทุกข์ที่เรามาปฏิบัติอย่างนี้เราต้องการความสุขความสุขขั้นต้นคือสวรรค์ความสุขขั้นกลางคือพุทธโลกความสุขสูงสุดคือนิพพานเราต้องการจริงๆความสุขไหนอันนี้อาจ ความดีพระพุทธเจ้าก็ทมพระอริยสงฆ์แล้วเรื่องภาวนารู้ลมหายใจเขาออกโค้งเขภาวน า, าเพียงเขามีญาติโยมพุทธบริษัทนะให้เวลาภาวนาจริงๆและพิจารณาจริงให้เวลา20นาทีตอนนี้ไปกาา็มันได้ญาติโยมพุทธบริษัทหลายเริ่มตั้งใจสมาทานมังกรปทถานสมาท า, านชีวิต